สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับวันอาทิตย์นี้ที่เรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันในพระวิหารของพระเจ้าอาทิตย์นี้นะครับเรายังคงอยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะหรือเลนซนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพุธที่14วันพุธรับเท้าวันพุธวาเลนไทน์นะที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์นะครับวันที่1เมษายนนะครับวันอาทิตย์ที่1เมษายนรวมทั้งสิ้นแล้วเป็นเวลาเป็นระยะเวลา40วันนะครับประมาณ6กถึงเสัปดาห์ ไม่นับวันอาทิตย์เทศกาลเข้าสู่ธรรมนะครับมีเพื่อระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูนะครับจนกระทั่งถึงการที่พระองค์เนี่ยคืนพระชนนะครับซึ่ง40วันนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีการได้ไข้ครวนนะครับมีการที่จะทบทวนดูชีวิตที่ผ่านมาสํารวจดูตนเองว่าชีวิตเรานะครับสมกับที่พระเยซูทรงมาสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อไถ่บาปเรา เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากการพิาพากษาหรือไม่นะครับพระมปีได้พูดถึงเลข40เนี่ยนะครับหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน40วันเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเฉพาะ40วันนะยังไม่พูดถึง40่สิบปีครับสีวันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน40วันเนี่ยมีหลายเหตุการณ์มากนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังแต่ละเหตุการณ์ล้วนแล้วแต่มีความหมายนะครับ เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทําให้มีฝนตก40วัน40คืนในสมัยโนอาะนะครับเหตุการณ์ที่โมเสสอยู่กับพระเจ้านะครับบนภูเขา40วันโดยที่โมเสสไม่รับประทานแล้วก็ดื่มเลยนะครับเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงให้ชาวนิเนเวมีโอกาสได้กลับใจจากการที่โยนาไปประกาศนะครับให้เขากลับใจนะรพระเจ้าให้วางไว้40วันนะครับ เหตุการณ์ที่เอลีชาอดอาหาร40วันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พระเยซูอดอาหาร40วันและมานนำพระองค์เข้าไปในดินถินธุรกันดาลนะครับเหตุการณ์ที่พระองค์นะครับกับสาวกเดินทางจากกาลิลีไปกรุงยูริสเล็ม40วันเช่นเดียวกันและสุดท้ายที่เราเห็นก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงใช้ชีวิตกับเหล่าสาวก40วันหลังจากที่ พระองค์ทรงฟื้นคืนประชชนแล้วนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน4ี่สิบวันนะครับนอกจากจะมีความหมายนะครับแล้วยังมีบทเรียนนะครับกับผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นทั้งสิน้นเบื้องหลังของพระธรรมโยเอลนะครับโยเอลเป็นผู้เผยวจะนะพระเจ้านะครับ พระเจ้าเรียกโยเอลให้มีโอกาสได้ไปตักเตือนนะครับไปตักเตือนเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยให้ละทิ้งความบาปนะครับหันมาหาพระเจ้าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลประสบกับภัยพิบัตินะครับอย่างที่ทุกท่านคงอาจจะคุ้นหูบ้างนะครับว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็คือฝูงตะกั่วทาลายพืชผลพืชธัญญาหารครับแผ่นดินเกิดไต่ไมด้วยความแห้งแล้งไม่เพียงเท่านั้นครับ จิตใจของประชากรของพระเจ้านะครับก็แห้งแล้งไปด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นพระเจ้าต้องการจะสอนชนชาติอิสราเอลนะครับเพราะว่าใจของประชากรของพระเจ้าเนี่ยออกห่างจากพระเจ้านะครับเขาหลงไปทำความบาปเดินออกนอกทางของพระเจ้านะครับแต่พระเจ้ายังมีพระเมตตาต่อชนชาติของพระองค์นะครับพระเจ้าให้โอกาสเขาไม่เพียงเท่านั้นนะพระเจ้าให้ทางออกด้วย ผ่านทางโยเอลที่มีโอกาสได้ไปพูดไปเตือนนะครับและในสุดแล้วพระเจ้าก็จะฟื้นคืนสิ่งที่เหมือนจะขาดหายไปแห้งแล้งไปพระเจ้าจะใส่กลับคืนมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอสิสราเอลนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันในบ่ายวันนี้นะครับว่าเราจะมีโอกาสได้รับบทเรียนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในสมัยนูน้นนะครับแต่เราสามารถปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราในสมัยนี้นะครับ เพราะพระนของพระเจ้านะครับใหม่ทุกวันนะครับบ่ายนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยการผ่านทางพระธรรมโยเอลบทที่สองข้อิบงถึงสิบสีนะครับซึ่งพระเจ้าคงมีบทเรียนสำหรับแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับในหัวข้อกลับมาเถิดแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเรามีริกาศได้อธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ พระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่เรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในพระวิหารของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนําพาเราประทานสติปัญญาให้กับเราประทานความเข้าใจอย่างเหมาะสมให้กับเราแต่ละคนเพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาความเชื่อของเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเราจะมีความมั่นใจไม่ ยิ่งขึ้นถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์เราจึงขอมอบเวลาต่อไป น, นี้ไปไว้ในการทรงนำและอวยพ ร, พรที่มาจากพระองค์และเราขอขอบคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกล่าวถุนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมให้หัวข้อว่ากลับมาเถิดนะครับกลับมาเถิดประการแรกครับกลับมาหาพระเจ้านะครับอยู่ในข้อ12ครับนะครับในข้อ12นะครับ ผมใช้พระภีฉบับที่2011นะครับบอกว่าพระยาเวตรัส ด, ดังนี้ว่าถึงขน้นก็ดีบัดนี้พวกเจ้าจงกลับมาหาเราด้วยสุดใจด้วยการอดอาหารการร้องไห้และการอดครวญในฉบับอมตะธรรมนะครับใช้คําว่าการขําครวญ น, นะครับอย่างที่เราทราบครับในหลายๆวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกันนะครับมีการร้องไห้หน้าศพสําหรับ ผู้คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะผมมีโอกาสได้ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักปีสปีที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้ไปบ้านของภรรยานะครับที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเขายังมีการร้องไห้หน้าศพอยู่นะครับคือตอนเข้าไปในบรรยากาศของในงานศพนี่นครับคือมันมันเศร้าจริงๆนะครับมันเศร้าจริงๆแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอสิ้นสุดงานปุ๊บนะครับเขาก็คนที่ร้องไห้แล้วก็มามารับ ค่าจ้างมารับเงิ น, นครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นปกติเลยนะครับคือเหมือนสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นงานงานของเขาเลยนะครับแบบเดียวกันเลยครับในสมัย ก่อนนะครับจนปัจจุ บ, บันเนี่ยผมคิดว่ายัางมีบางทีบง่บางประเทศบางจังหวัดนะครับที่เขายังมีการร้องไห้นะครับการร้องไห้เสียงดังการร้องไห้ข่ํมขวนนะครับเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่แสดงความโศกเศร้านะครับที่ตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะของวัฒนธรรมคนยูลเนี่ยสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับคนยิวที่เขากลับใจมาหาพระเจ้านะครับนะบเขารู้สึกเขาผิดมากเลยที่เขาออกห่างจากพระเจ้าเดินอยู่ในหนทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาจะ ร้องไห้ข่มควานแล้วค่มควานเล่าอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการสํานึกนะแต่จริงๆแล้วนะครับพระเจ้าก็สอนผ่านญญาโยเอลครับบอกว่าการแสดงออกภายนอกนะครับมันมันแต่ถ้าภายในเนี่ยการแสดงออกภายนอกที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอดครวนการร้องไห้นะครับการอดอาหารอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าจิตใจภายในเนี่ยภายในเนี่ยไม่ได้มีท่าทีเหมือนกับภายนอกเนี่ยนะ พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้นะพระเจ้ากำลังเยกร้อยเขากลับมาครับผมก็เลยจะมีโอกาสให้เราพูดถึงพระธรรมตอนหนึ่งครับคือโฮเชยาครับเมื่อเราไล่กลับไปดูในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับในโฮเชยาบทที่2อนะครับบทที่12ครับโฮเชยาบทที่12เนี่ยนะครับตอนช่วงต้นๆเนี่ยจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเา กบฏกับพระเจ้าเขาออกนอกทางของพระเจ้านะเริ่มต้นมาจากให้เห็นเลยว่าคนคนแรกที่เราเห็นก็คือว่าคนเรียกว่าเป็นบีดาวของชนชาติอิสราเอลก็คือยาโคบนะครับอับราฮัมนี่เป็นบีดาวความเชื่อไงครับยาโคบนี่เป็นบีดาวชนชาติอิสราเอลเพราะว่าลูกเขาทั้ง12คนเนี่ยเป็นดูแลคนละเผ่าคนละคนละเผ่าเลยสนะิบสอเผ่าของอิสราเอลดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่เราเห็นก็คือว่ายาโคบเนี่ยการคือ เรื่องที่เราพอทราบเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาขโมยสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาวนะครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ครับคือในระหว่างที่ย า, ยาโคบคลอดออกมาจากคันมันไดนย้ยาโคบเนี่ยเขาเอามือจับข้อเท้าของพี่ชายออกมานะครับนะครับซึ่งวัฒนธรรมอยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยเขาจะพูดถึงการที่จะไม่ว่าจะเป็นการเอามือวางไว้ใต้ขานีบ อคือมันมีความหมายทั้งสิ้นแต่เช่นเดียวกันครับการที่เขาเอามือจับข้อเท้าตอนคล อ, อดออกมานี่นะครับ <S <S <S เขาแสดงมีความหมายว่าคือเขาต้องการจะทําสัญญาอะไรบางอยา่างแต่สัญญาอันนี้มันไม่ได่เป็นสัญญาที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นการเหมือนลักษณะฉลาดแกมโกงหรือว่ามีเลขกลอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามานะครับสิ่งนี้ครับเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าอ๋อมี สิ่งที่บ่งบอกมาตั้งแต่ตอนที่คลอดออกมาแล้วหลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นเขาว่าเขาก็ขโมยสิทธิอุดหัวปีไปจากพี่ชายเขาเอซาวครับแล้วมาถึงช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้กับพระเจ้าซึ่งปรากฏกายในรูปของทูตสวรรค์อันนี้ก็เห็นอีกเช่นเดียวกันครับคือต่อสู้ปั้มสู้จนไหนสุดแล้วโยเซฟเอขอโทษครับยาโคบก็ก่อนที่พระเจ้าในรูปของทูตสวรรค์จะจากไป ดูเหมือนว่ายาโคบจะชนะแต่จริงแล้วยาโคบก็แพ้นะครับแล้วร้องไห้และในสุดแล้วเนี่ยก็ขอบทูตองนั้นอวยพรชีวิตเขานะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานของยาโคบหรือชนชาติอิสราเอลเนี่ยเห็นนะครับว่าในสุดแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะต่อกรกับพระเจ้าได้ดังนั้นน ย, ยอมเถอะเอยอมเถอะนะครับในพระคัมภีร์ ที่โยงไปให้เห็นในโฮเชยานี่ก็เลยทาให้เห็นว่าการที่พระเจ้าเรียกชนชาติอิสราเอลให้กลับมาเนี่ยนะครับเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ครับคือชนชาติอิสราเอลเขาเดี๋ยวพระเจ้าดีเขาเขาก็หลงจนไปพอพระเจ้าตีสอนให้เขากลับมาเขาก็อะไรก็ไม่ดีกับพระเจ้าอีกแล้วนะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สอนเราว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วในสมัยปัจจุบันมันก็สามารถเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน โฮเชยาขอโทษครับโยเอลเลยมาบอกในพระพีตอนนี้ว่าชนชาติอิสราเอลลูกหลานชนชาติอิสราเอลทั้งหลายให้กลับมาหาพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่ยาโคบคนเดียวนะครับเมื่อเราอ่านเรื่องราวในพระพีนะครับเราจะเห็นเลยว่าบุคคลสำคัญหลายๆคนเนี่ย ที่เขามีชื่อเสียงมาเนี่ยที่เขากลายเป็นบุคคลสําคัญเนี่ยเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้านเดียวคือด้านบวกหรือว่าทําใีสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปอย่างยาโคบหรือใครหลายคนเนี่ยครับเขารวนแล้วแต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นนะครับทําให้เราเห็นว่าเออเขาถึงบอกว่าผิดเป็นครูนะผิดเป็นครูนะครับคือเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วว่าเขาจะกลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่กลับมาหาพระเจ้าอย่างถูกต้องมาอยู่ในทางของพระเจ้าตามเดิมพระเจ้าก็ลืมสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาในชีวิตเขาพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่พระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรเขาให้เขากลับกลายมาเป็นบุคคลที่สําคัญนะฮะอันนี้เป็นเช่นเดียวกั น, นครับในชีวิตเราของเราทั้งหลายเหมือนกันครับเราอาจจะเคย ประสบความผิดพลาดอะไรมาก็ตามนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราหันกลับมายพระเจ้านะมาอยู่ในทางของพระเจ้านะพระเจ้าก็จะนําแล้วก็จะอวยพรในชีวิตเรานะครับในข้อ12จึงเห็นได้ว่าการที่โยเอลเรียกคนชนชาติอิตาเ ล, ลให้กลับมาเนี่ยคือเป็นโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้กับเขาเหล่านั้นที่จะให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเวลานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับในช่วง40วัน ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมเนี่ยครับเมื่อกาที่ท่านเสียบานได้มีโอกาสได้เทศนาให้เราฟังไปเมื่อวันพุธรับเท่านะครับที่บอกว่าในช่วง40วันเนี่ยนะครับใครทําใครได้ครับตัวใครตัวเขาตัวใครตัวท่านใช่ไหมครับคือหมายว่ามันขึ้นอยู่กับเรากับพระเจ้าเท่านั้นถ้าในช่วง40วันเนี่ยเรามีโอกาสได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารับรองว่าชีวิตเราก็จะได้รับ คำสอนได้รับบทเรียนอะไรจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับกลับมาเถิดประการแรกกลับมาหาพระเจ้านะครับประการที่สองกลับมาด้วยความจริงใจในข้อ13นะครับในข้อ13บอกเราว่าจงฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อของเจ้าจงกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์คริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระไถยไม่ลงโทษ ในสมัยนั้นการแสดงออกภายนอกเนี่ยนอกจากจะมีการร้องไห้คล่ำครวนอดอาหารนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการฉีกเสื้อนะครับนะครับการเมือนกับอดครัวนะครับประเภทอดครวนแล้วก็บางคนก็มีเอาขี้เท่าโรยหัวใส่ชุดกระสอบนั้งอยู่บนกองขี้เท่าลักษณะนี้ครับคือเป็นการที่แสดงความเสียใจนะครับแต่ที่พระเจ้าก็สอนผ่านในข้อนี้ครับบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการ การที่ให้เขาการที่เขาจะบอกว่าเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้าเนี่ยด้วยท่าทีที่แสดงออกให้เห็นภายนอกเท่านั้นพระเจ้าเน้นย้ําว่ามันควรจะเป็นท่าทีจากภายในการกลับใจจากภายในแล้วค่อยแสดงออกภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเราในหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่ 16: บหกข้อเบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจนะครับพระเจ้าไม่ได้ดูแค่การสิ่งที่เราแสดงออกมาภายนอกเท่านั้นนะครับ สิ่งนี้ครับก็เลยเป็นบทเรียนให้เราเห็นนะครับว่าการที่เราจะขอโทษนะครับหรือการสำนึกผิดนะครับของของคนเราเนี่ยครับบางครั้งที่บอกว่าขอโทษมาจับมือกันขอโทษขอโทษก็ขอโทษขอโทษนะเหมือนจะจะจะจบแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่จบอยู่แค่นั้นนะครับมันยังมีอะไรต่อเนื่องไป มันเป็นแค่สิ่งที่พูดออกมาแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เกิดกับชีวิตเราทั้งหลายปุถุชนคนธรรมดานะครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรมภี์พูดถึงหลายต่อหลายตอนนะครับตอนที่ดาวิดกล่าวกับนาธันนะครับบอกว่าเรากระทําบาปนะครับสิ่งนี้ครับประโยคนี้ครับมันไม่ได้เกิดแค่แค่ดาวิดบอกกับนาธันเท่านั้นฟาโร่บอกกับโมเสสถึงสองครั้งบอกว่าเราทําบาปแล้วนะครับในอพยพบทที่9นะครับ แต่สิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยเขายอมรับว่าเขาทําบาปเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสํานึกนะครับเพียงแต่เขาบอกเหมือนกับว่าตัดเสียไม่ได้บอกเสียไม่ได้ก็เลยต้องพูดออกมาเนี่ยครับมีคนขยันขอ้อนหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ครับเช่นเดียวกันครับเมื่อทูตสวรรค์มาพบกับบาลาอัมนะครับในกันดาวิถีบทที่ยีสองเนี่ยเช่นเดียวกันครับว่าในขณะที่巴าอัมกํบบาลังเดินทางไปหาบา拉าเนี่ยครับเมื่อเขารู้เหมือนกับว่า เข้าตาจนแล้วนะครับเขาก็บอกกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าได้กระทำบาปแล้วเหมือนก็นยอมรับโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้เรายังเห็นในสังคมไทยปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ก็คือคงพอจะจำมาไดนะ้ถ้าเราดูข่าวจากในสื่อต่างๆนะครับที่พูดถึงมีแม่คนหนึ่งครับ ที่เขาเดินจุงลูกนะครับภาพวงจรปิดที่เราเห็นคือแม่เดินจุงลูกแล้วก็ไปผักลูกซึ่งอายุประมาณ3ามขวบกว่าก็จมน้ําตายไปนะตอนนี้นสุดแล้วเนี่ยตำรวจมาไล่จนเจอภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็เอามาพอมาที่โรงพักแม่ก็พูดมาประโยคหนึ่งแล้วระหว่างนั้นก็ร้องไห้ไปแล้วก็พูดมาประโยคนี้ว่าไม่ไม่นึกว่าจะมีคนรู้นะครับ นะไม่นึกว่าจะมีคนรู้ครับคือมันไม่มีใครเห็นเลยนะแต่เม่อกล้องวงจรปิดบันทึกไปได้ว่าภาพที่เขาเดินจูงลูกเนี่ยซึ่งปัญหาเกิดขึ้นเลยจุดที่ว่าสามีเลิกนะครับแล้วตัวเองเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะทําไงจะไปตัวเองก็จะมีตั้งใจจะไปไปหาคนคนใหม่ดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดบทด้วยกันเนี่ยพาลูกเดินไปที่ริมน้าแล้วก็ผลักลูกตกน้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับคือมันเกิดขึ้นแบบง่ายๆเลย มันเกิดขึ้นแบบง่ายๆนะครับสิ่งนี้นะครับถึงบอกว่าในสังคมเราปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ผมอยากจะดูให้เราดูบทเรียนของคนที่เขาติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นแบบอย่างจากชีวิตของเขานะครับเพราะเราพอจะสรุปได้เลยนะครับว่าคําพูดที่ยอมรับว่าได้ทําบาปแล้วนะครับยังไม่เป็นการพิสูจน์ว่าเขากลับใจอย่างจริ ง, รงแท้นะครับ ในโยบบทที่หนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับว่าโยบเนี่ยนะครับพระเจ้าอวยพรเมากนะครับมีอะไรครบอย่างแต่ก็มีวันหนึ่งที่มาร์สตาลนขอพระเจ้าที่จะทดลองหรือทดสอบโยบนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็สูญไปไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะครับฟ้าผ่าภัยพิบัติผู้คนล้มตายไปนะครับก็คือในที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่เขากับ นในครอบครัวคือภรรยาคู่ชีวิตสองคนเท่านั้นนะครับนะครับแต่สิ่งที่โยบตอบสนองต่อพระเจ้านะครับก็คือว่าเขาก็ร้องไห้ค้ามควนโกลหัวนะครับก็คือฉีกเสื้อนะครับแต่ว่าเขานามัสการพระเจ้าและเขาไม่บน่นไม่ว่าพระเจ้าสักแอะเดียวนะครับสิ่งนี้ครับเลยเป็นสิ่งที่บอกว่าเช่นเดียวกันใน ในปัจจุบันนะครับเราอยู่ในเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าไปใหม่มานะครับก็คือบางอย่างเนี่ยเหมือนกับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมเนะี่ยเกิดเกิดขึ้นปุ๊บนะครับพอมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งเดิมเนี่ยดูเหมือนถูกลบเลือนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัญหาสังคมอยู่แล้วก็มีเรื่องใหม่มาก็กลายเป็นเรื่องเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับ ในที่สุดแล้วเนี่ยมันมันเป็นลูบครับและในที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม่ไมีทางไม่ได้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกถูกต้องนะครับถึงแม้จะเกิดความแตกต่างอย่างนั้นเกิดขึ้นในสังคมในชีวิตปัจจุบันของเราจริงๆนะครับจะอย่างน้อยให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเรานะครับไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าของเรากับเราก็ยังไงก็อย่างนั้นนะครับก็ถึงเรียกว่า ในอพยพบที่34ครับในข้อ6บอกเราว่าเพราะว่าขอขอภัยครับในใ น, ในข้อเนี้บอกเราว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์ริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงนะครับบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงนียครับเม่ไปขยายความดูในอพยพบที่34ข้อ6ข้อ7เนี่ยพูดถึงสองข้อเนี่ยพูดถึงเขาเรียกว่าพระนามหรือพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยประมาณ7อย่างไม่เพียงแต่ความรักมั่นคงนะครับแต่ที่บอกว่า ความรักนะครับที่มีต่อคนเนี่ยพันชั่วยุคนนะครับคือลูกของพระเจ้านี่สืบทอดไปเนี่ยเขาเรียกว่าพันชั่วยุคนนะครับคือความรักเสมอต้นเสมอปลายแบบนั้นจริงๆนะครับความรักเสมอต้นเสมอปลายแบบนั้นจริงนะครับนะครับดังนั้นนะครับการที่โยเอลนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับโยเอลนะครับแต่สิ่งที่ ถ้าทาตอนนี้ที่โยเอลกลาลังท้าทายเราก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรานะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเชื่อได้ว่าพระเจ้ามีบทเรียนสอนเรานะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราเดินออกเล้าลูล่เราทางพระเจ้าแล้วเกิดความทุกข์เกิดปัญหาขึ้นนะครับสิ่งนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะได้รับการแก้ไขเราต้องกลับใจมาหาพระเจ้านในช่วงเวลา40วันนี้นะครับ ถ้าเราเดินชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วมีความทุกข์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมานะครับขอให้เราติดต่อพระเจ้าโดยตรงถามเลยครับว่าพระเจ้ามีบทเรียนอะไรกับเราต้องการสอนอะไรกับเรานะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าใน40วันนี้นะครับถ้าเราเหมือนกับจะจะมีส่วนในการทนทุกข์เหมือ น, นที่พระเยซูทนทุกข์นะครับนะรบพระเจ้าก็จะมีบทเรียนเหมือนกับ40วันที่คนในพรัมพีรประสบพบเจอนะครับ นะพระเจ้าก็จะมีบทเรียนสอนแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคนคนนั้นที่มีกับพระเจ้านะครับกลับมาเถิดประการแรกกลับมาพระเจ้าประการที่สองกลับมาด้วยความจริงใจและประการสุดท้ายครับกลับมาเพราะความรักมั่นคง ในข้อสิบบอกเราว่าใครจะรู้ได้พระองค์อาจทรงกลับมาและเปลี่ยนพระไทยทั้งทรงเหลือพอรไว้ข้างหลังคือให้มีทัญญะบูชาและเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระยาเ ว, ะเวพระเจ้าของท่านการที่จะบอกว่าพระเจ้ากลับมาเปลี่ยนพระไทัยไม่ลงโทษเราเนี่ยครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทําดีเพราะาเราเอาใจพระเจ้าไม่ใช่ครับความสําคัญอยู่ที่ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อ มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งทรงสร้างเรียกว่าสิ่งทรงสร้างที่แบบสุดยอดของพระเจ้านะครับมืนกันที่เราเรียนรู้มาครับหวันแรกพระเจ้าสร้างทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วปุ๊บวันที่7พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อที่ให้ดูแลสิ่งทรงสร้างทั้งหมดนั้นนะครับนะครับทวนอีกครั้งนึงครับเมื่อเราเห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลสมัยนั้นนะครับคือทําให้ทุกอย่างเนี่ยคือจาก ภาพสวยงามทุ่งหญ้าเขียวอะไรกลายเป็นแบบแห้งแล้งกลายเป็นกันดารเกิดความกันดาอะไรขึ้นนะครับและสิ่งที่โยเอลไปไม่เหมือนกับเวลาคนที่ประสบภัยพิบัติแล้วเราเอาข้าวเราเอาถุงยางชีพไปช่วยนะครับโยเอลไปถึงโยเอลไม่ได้ไปปอบอะไรเขาเลยครับโยเอลบอกเลยว่าสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาเหมือนกับต้องดูตัวเองว่าพระเจ้าต้องการสอนอะไรเขา ถ้าเขาทําความผิดบาปพระเจ้าลงโทษเขาเขาต้องกลับมาหาพระเจ้านะครับโยเอลแต่โยเอลไม่ได้แค่เหมือนกับเตือนเขาดุหลาว่าเขาอย่างเดียวเหมือนกับที่ป้ายสีเหลืองๆที่บอกว่าไม่เชื่อพระเยซูตกนรกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโยเอลบอกแล้วโยเอลก็บอกว่ามีทางออกอยังไงพระเจ้าให้โอกาสยังไงและเขาจะเลือกอยังไงและพระเจ้าถึงจะนําพาเขาให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ ในสดุดีบทที่136นะครับพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าใช่ไหมครับผมขอยกตัวอย่างอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าในบทที่136เนี่ยพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทําแล้วก็สลับกันด้วยกับประโยคที่ว่าเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเปน็นนะิตนะพระเจ้าทําอย่างหนึง่งดูแลมนุษย์อย่างหนึงอีกข้อนึงเขบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิตซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก เป็นภาพอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นภาพให้เราเห็นจริงๆว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ามีในชีวิตเราอย่างชัดเจนผมขอย้อนกลับไปในสมัยไม่ทราบกี่ปีครับไม่ทราบทุกท่านคงเคยได้ยินเพลงร้อยเหตุผลนะครับร้อยเหตุผลไม่ทราบว่าทันกันป่ะนะร้อยเหตุผลนะครับมันเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ต้องการผู้หญิงอนะ่ะคือเรื่องเพลงนี้บรรยายถึง เป็นเพลงของชาวโลกครับผู้หญิงเนี่ยกำลังจะจากผู้ชายไปนะครับก็มีเหตุผลมากมายเลยถึงตั้งชื่อเป็นเพลงร้อยเหตุผลนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยต้องการเพียงอย่างเดียวคือให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เหตุผลของเขาคือว่าเขารักมากนเนี่ยแค่นี้ครับเช่นเดียวกันครับเหตุผลเดียวที่พระเจ้ามีกับชีวิตเรานะครับ เพราะเราเปรียบสเสมือนเขาเรียกว่าแก้วตาดวงใจของพระเจ้าไม่ทราบว่าเราจะรู้หรือไม่รู้นะครับแต่ผมก็กำลจะบอกในที่นี้ว่าในเฉลยธรรมยัติบทที่สามสิบข้อสิบอกว่าพระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินธุรกันดาลในที่เปลี่ยวเปล่ามีแต่เสียงเห่าหอนพระองค์ทรงโอบล้อมเขาไว้และทรงดูแลเขาอยู่ทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่บอกว่า เหตุผลที่พระเจ้ามีต่อชีวิตเราเนี่ยคือโปรงรักเรามากเหมือนกับแก้วตาดวงใจครับเขาเรียกว่าเหมือนแก้วตาดวงใจเหมือนไข่ใดืหินนะครับนะครับแบบนั้นเลยครับนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอนะครับในการที่จะขยายความของโยเอลที่บอกให้เรากลับมาเถิดกลับมาเถิดกลับมาหาพระเจ้านะครับขึ้นอยู่การตอบสนองของเราครับคงจาเรื่องได้นะครับว่า พระเยซูรักษาวกพระองค์ทุกคนยูดาสปฏิเสธพระเยซูสามครั้งเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูสาครั้งแต่การตอบสนองของทั้งสองคนแตกต่างกันยูดาสในที่สุดแล้วไปฆ่าตัวตายเปโตรเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ า, าขึ้นกลับมาพระเจ้าแล้วเอาจริงก็จังกับพระเจ้ามากขึ้นในสุด ดูแลฝูงแกะที่พระเจ้ารักและให้มอบหมายเขาดูแลนะครับสิ่งนี้เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สอนใจเราได้นะครับว่าถึงแม้ความทุกข์จะประดังมาในชีวิตเราปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าเรามั่นคงนะครับอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือ น, นที่โยเอลได้หนุนใจเราวันนี้นครับถึงแม้จะเป็นเหมือนกับประโยคที่บอกว่า ตบหัวหรือรูปหลังอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องมีโอกาสได้เจอบทเรียนที่แบบว่าเข้ามานะครับบางอย่างอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจเราบางอย่างอาจจะไปดูเหมือนหนักสำหรับชีวิตเราแต่ถ้าเรายังเดินอยู่ในทางของพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าก็จะมีบทเรียนนะครับมีคําสอนที่ดีที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถไปไปหนุนใจ เป็นหนุนใจคนอื่นได้เมาเขาเจอเกิดความทุกข์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะครับหรือเทศกาลแห่งการกลับใจนะครับก็คือช่วงเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ทบทวนจริงๆนะครับทบทวนว่า เ, เรากับพระเจ้าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับถ้ายังห่าง กน็น่าจเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะกลับมาติดกับพระเจ้านะครับกลับมาใช้เวลากับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะนี้เวลาเพิ่งผ่านไป22วันนะเหลืออีกสิวันนะอีกสิวันจะถึงวันอีสเตอร์นะครับดังนั้นนอกจากเหตุผลที่ผมบอกทุกท่านในเรื่องของกลับมาเถิดนะครับประการแรกกลับมาหาพระเจ้าประการที่2กลับมาด้วยความจริงใจประการที่3กลับมาเพราะ ความรักมั่นคงนะครับผมก็ยังอยากจะให้เรามีโอกาสได้ดูคลิปเพลงอีกเพลงหนึ่งนะเพื่อที่จะตอกย้ํานะครับเพื่อที่จะทบทวนดูว่าสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะกลับมาหาพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้าอวยพรนะ สู้ได้ท่องลงเจ็บทุกทนเพื่อช่วยฉันให้พ้นหลุดพ้นคำแช่งสาเจะมีใครสักกี่คนยอมตายเพื่อช่วยได้แม่คนบาปและฉันสุดสาดสุนเลพื่อคุณเพราะสงยอมแบกไว้ โศกรอภัยให้ฉันได้มีเสรีเพรงยอมแบไว้รแบกรับไว้ความบาลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในคุณฉันจยอม สุก ล, ล่นหลุดพ้นจากความบาปวางจิตใจฉันทำลงต่อพระนามไพระะสุภูนั้นที่ไทยฉันพ้นความตายเพระสงค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรักไว้ทุกและโศกรอภัย ให้ฉันได้มีเรีพระทรงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อฉันอยู่ในพระคุณพระทรงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ทุกโศกให้ฉันได้มีเสร เพราะทรงยอมแบกไว้เรางแบกรับไว้ความบาลึกในใจด้วยฉันอยู่ในพระ